ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติศิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุปนันท h a สกยบุตรว่าอุปนัน t h ทราบว่าเธอนั่งในที่รับกรรมตุคามสองต่อสองจริงหรือท่านพระอุปนันทะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจา้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษฉนยเธอจึงนั่งในที่รับกรรมตุคามสองต่อสองเล่าโมฆะบุรุษ